ไม่ยังพราตุต่างขานไโยปนามัตเ สามุราตนตานหาคุยมางก็เป็นผู้หอนตนาขึ้นได้กับธรราชิชาโทภิริผุต้ตอเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีสว่วเลือ